วันนี้เป็นวันจันทร์ที่5ธฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดชดเชยวันฉาตะมงคลสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจึงมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะได้ ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาฟังเทศทังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการฟังธรรมที่สถานที่นี้เราก็มีแบ่งเวลาเป็นสองช่วง ช่วงแรกสาสิบนาทีแรกก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมช่วงที่สองช่วงที่สามสิบนาทีหลังนี้ก็จะเป็นช่วงนั่งสมาธิกำลังสติก็คุมใจให้นิ่งให้สงบเพื่อจะได้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ครรมะที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องปัญญาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เป็นคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้เป็นปัญญาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้ มีอยู่สามขั้นสามระดับด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมะยปรรยัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเ ร, ริ่มเรียนฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือ ธ, ธรรมะของพระพุทธเจ้าปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปรรยัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการ พิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้มาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้จดจําไว้อยู่ในใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปคอยฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆไม่ต้องคอยไปอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆ เอจนเรายังไม่มีธรรมะเราก็ต้องไปอ่านหนังสือไปฟังเทศฟังธรรมก่อนพอเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็ทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้มานึกคิดอยู่บ่อยๆคบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะว่าการจะใช้ปัญญาดับความทุกข์ทางใจได้ น, นี้ เราไม่สามารถที่จะต้องคอยไปเปิดหนังสือดูหรือคอยไปเปิดเทปมาฟังได้อยู่เรื่อยๆเพราะความทุกข์มันอาจจะเกิดขึ้นเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราเอาธรรมะคาสอนของพวกกะพุทเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้อ่านจากหนังสือเอามาวิเคราะห์เอามาคิดเอามาพิ จ, จารณาเอามาจดเอามาจํา ต่อไปธรรมะมันก็จะอยู่ในใจของเราเราก็ไม่ต้องคอยพึ่งหนังสือธรรมะไม่ต้องคอยฟังเทศน์ฟังธรรมเวลาที่เราเกิดความทุกข์ทางใจเราก็จะมีธรรมะที่เราได้พิจารณาได้นึกได้คิดจนกระทั่งเราจดจำได้เอาออกมาใช้ได้ทันทีนี่คือหน้าที่ของปรรัญญาขั้นที่สอง คืยจิตตาเมยะปัญญาเอาธรรมะที่เราได้เรียนได้ศึกษาจากสุตตะเมยะปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งเอามานึกเอามาคิดเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความติดจําขึ้นมาในใจให้มันฝังอยู่ในใจของเราแล้วพอเราเกิดความทุกข์เราก็เอา ธรรมะที่เราได้นึกได้คิดได้จดได้จำนี้เอาออกมาใช้ได้เลยแต่จะใช้หลับความทุกข์นี้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังขาดคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือถ้ายังไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิใจยังจะไม่มีอุเบกขาใจยังจะวางเฉยไม่ได้ ดังนั้นธรรมะหรือปัญญาขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถใ ช, ใช้ใช้เอามาดับความทุกข์ทางใจได้ต้องมีสมาธิมีการเจริญจิตตะภาวนาเพื่อที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาในใจเกิดอุเบกขาขึ้นมาก่อนเพอจะได้ปัญญาขั้นที่สาม ที่เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้เราต้องพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องราวต่างๆพยายามดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับคำมือคำพุทโธพุทโธพุทโธและอยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวของร่างกาย อยู่กับการกระทาต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรสติต้องคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นึกคิดอยู่กับการสื่นไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวและเวลานั่งสมาธิใจก็จะสามารถรวมเข้าสู่ควาสมสงบได้ พอใจสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขกั อ, อุเบกขาซึ่ง เ, เกิดความสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งที่อย่างที่เคยยึดเคยติดเคยอยากได้ถ้าปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากกับสิ่งใดไม่อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอะไรไปใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน นี่คือปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญาคือเอาปัญญาขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองมาใช้กับจิตใจที่มีสติมีสมาธิถ้าจิตใจยังไม่มีสติไม่มีสมาธินี้ปัญญาขั้นที่สามยังเกิดขึ้นมาไม่ได้ภาวนาเมาย์ปัญญายังเกิดไม่ได้เมื่อไม่มีภาวนาเมาย์ปัญญา การดับความทุกข์ก็ยังจะดับไม่ได้เพราะใจไม่มีกำลังที่จะไปละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่ถ้ามีสมาธิโดยที่ไม่มีปัญญาสมาธิดนวยลำพังก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรสมาธินี้สามารถดับความทุกข์ใจได้แบบชั่วคราว เวลาที่เราเข้าสมาธิจิตเรานิ่งสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลานั้นใจจะไม่มีความทุกข์เลยเปเหมือนนิพพานแบบชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาก็ อ, ออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องการเกิดการดับของสิ่งต่างๆความทุกข์ของใจก็กลับมือได้ถ้ามีเพียงแต่สมาธิเพียงอย่างเดียว แต่ถ้ามีปัญญาที่เราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรืโลกนี้เป็นของไม่เที่ยมเป็นน่างกายของเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายของน่างกายไปไม่ได้และการทัดทากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเรามีปัญญาด้วยมีสมาธิด้วยเวลาออกจากสมาธิมาเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างยั่งยืงยนถาวรเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันจะยั่งยืนถาวร ที่อยู่คู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงถ้ามีปัญญาและมีสมาธิมีอุเบกขาจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาใจก็ยังสามารถดับความทุกข์ได้ป้องกันความทุกข์ให้เกิดได้เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิแต่ถ้าไม่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมา พอไปเจอกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่สามารถที่จะระ ง, งับจะหยุดมันได้เพราะใจไม่มีไม่มีปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางนี่คือปัญญาขั้นที่สามเป็นปัญญาที่สำคัญที่สุดแต่ก็ แต่ก็ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีปัญญาขั้นที่หนึ่งปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้มรรคต้นเราต้องมีปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนด้วยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาฟังเทศฟังธรรม ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันธรรมสวรนะวันฟังธรรมทุกอาทิตย์นี้อาทิตย์ละหนึ่งวันนี้จะให้สาธุชนพุทธบริษัทหยุดภารกิจการงานต่างๆทา ง, างโลกแล้วเอาเวลามาให้กับการฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการ แสดงธรรมในพุทธกิจห้านี่มีกิจของพระพุทธเจ้าอยู่สี่กิจด้วยกันที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมเช่นตอนบ่ายก็ทรงสอนศรัท ธ, ธายาโยมคารวะคู่ของเลือนสอนธรรมะให้กับผู้ของเลือนทั้งหลายในยามค่ำก็สอนธรรมะให้กับภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีพวกนักบวชทั้งหลายยามดึก ก็สอนธรรมะให้กับเทวดายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาทก็สรงเรงยงญาณดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมปวดไขรเป็นกรณีพิเศษใครบ้างที่มีความพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมที่พู้เจ้าจะทรงโปรดแสดงให้ฟังและสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอาจจะมีเหตุ ที่จะทำให้ผู้นั้นจะต้องเสียชีวิตในระยะอันใกล้นี้องคไก็จะทรงไปโปรดบุคคลนั้นก่อนเพราะว่าถ้าตายไปแล้วนี้จะไม่สามารถศึกษาฟังเทศฟังธรรมได้ประโยชน์ที่จะได้รับจากธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่เกิดแล้วโอกาสหน้าถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็อาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วก็ได้ถ้าไม่เจอก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสั่งมาสอนพระเจ้าส่งให้ความสำคัญเนนความสำคัญของเรื่องของการเจริญปัญญาเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. จึงมีวันธรรมวัฒนะวันพระนี่เราเรียกว่าวันธรรมวนะวันฟังธรรม เป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสวรรค์เอตัมมังกัลมุตตัมังการฟังธรรมตามโอกาสตามเวลาอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะว่าเมื่อฟังธรรมแล้วก็จะได้เรียนรู้ความจริงที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อน mm hmm. เช่นอ น, นิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิง่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสัตว์ทุกบุคคลที่เกิดมาแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่เกิดและดับนั้นก็ไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วพอเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดนั้นเปลี่ยนไปหมดไป สิ่งที่มาเกิดก็จะตายไปไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับหรือจัดการกับสิ่งต่างๆให้อยู่ยั่งยืนถาวรได้ถ้าไปอยากให้เขาอยู่ยั่งยืนถาวรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็อย่าไปอย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่นนั่งกายของเรานี่อย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่งกายของพวกเราทุกคนเดี๋ยวก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาเรื่อยๆพอเราคิดถึงโครคภัยไข้เจ็บนี้ใจเราก็สั่นใจแล้วก็วิตกกังวลขึ้นมาแล้วนั่นนั่นคือความทุกข์แล้ว แล้วถ้าไปเจอโรคภัยท้ายเจ็บที่รักษาไม่ได้จะต้องตายนี่ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างยิ่งและตอนเวลาที่จะตายก็จะทุกข์อย่างมากมายแต่ความทุกข์เหล่านี้เราสามารถใช้ปัญญาของที่พระเจ้าทรงสอนนี้เอามาดับความทุกข์ได้เบื้องต้นเราก็ต้องยอมรับได้ยินได้ฟังว่า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 ร่วงพ้นไปไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นแรกเวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังของร่างกายร่างกายของเราอยู่ภายใต้กฎอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายมีการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบบุคคลที่เรารักเราชอบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเวลามีเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ความทุกใจนี้สามารถดับมันได้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะสาเหตุที่ทาให้เราทุกข์กับร่างกาย mm hmm. ก็เพราะความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานๆให้ร่างกายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรแต่มันขัดกับหลักความเป็นจริงของร่างกายขัดกับหลักความธรรมชาติของร่างกาย ที่ต้องที่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปดังนั้นขั้นที่หนึ่งเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้สุดตาเมย่ปัญญาแล้วเราก็เอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาสอนใจอยู่เรื่อยๆพระเจ้าทรงตัดว่าจงพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆนี้เรียกว่าเป็นการเจริญจินตาเมาย่ปัญญาเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่สอง ให้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้ให้มันฝังอยู่ในใจเราให้มันอยู่กับใจเราเพื่อที่เราจะได้คอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปสอนให้ใจหัดเตรียมตัวเตรียมใจไว้สอนให้ใจอย่าหลงอย่าลืมอย่าประมาท อย่าลืมความตายอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าเราไม่ลืมแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่ความเจ็บความตายวิธีที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้ก็ต้องรับรับรับมากับใจที่สงบนั่นเองถ้าใจเราไม่สงบใจเราฟุ้งซ่านใจเรายังมีความโลภความอยากอยู่ใจเราจะไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย ยามีแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายเพราะเราอยากจะอยู่ในโลกนี้ไปนานๆานเพื่อที่เราจะได้หาความสุขอยากโลกกระททั้งสี่คือลาบยศฉรเสริญสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากโลกกระทำไปถ้าเราทุกข์เราทาใจไม่ได้ก็แสดงว่าใจเราไม่สงบ เรายังไม่มีภาวนามยปัญญามีแต่สุตะมีแต่จินตามยปัญญาเราก็ต้องไปเจริญสติไปเจริญสมาธิเรียกว่าไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเราต้องภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาก่อนถ้าเราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิจนจิตนิ่งสงบมีมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาใจจะนิ่งจะเฉยกับภาวะต่างๆที่มากระทบกับใจได้แล้วถ้ามีปัญญาสอนว่าความทุกข์เกิดจากการเกิดจากความอยากที่ไม่ยอมรับกับภาวะต่างๆที่มากระทบกับใจใจก็จะหยุดความอยากนี้แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีจะชั่วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดหรือดับ แลว้วจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าใจมีอุเบกขามีสมาธิใจเวลาออกจากสมาธิมาใจจะสามารถตั้งอยู่ในความนิ่งเฉยได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้อะไรมากระทบกับใจก็จะสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ไปใครชมก็สักแต่ว่ารู้ไปใครด่าก็สักแต่ว่าด่าไปไม่ทุกข์กับคําชมคาําด่า ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือปัญญาขั้นที่สามภาวนามยะปัญญาที่เกิดจากการศึกษาด้วยสุตตามะยปัญญาแล้วก็พิจารณาอยู่เนืองๆด้วยกินตามยะปัญญาแล้วก็มาพัฒนาจิตใจที่ไม่นิ่งให้สงบให้นิ่งให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา เมื่อใจมีอยูเบกขาแล้วใจวางเฉยได้ใจก็ใจหยุดความอยากได้เวลาพิจารณาความทุกข์ใจก็จะเห็นทันทีว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี้ใจทุกข์ขึ้นมาลองถามตัวเองว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเจ็บใช่ไหมทุกข์เพราะไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วเราก็ยอมรับมันเสียพอเรายอมรับมันได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปอยู่กับโรคภัยไข้ขเจ็บได้จะหายก็ดีไม่หายก็ดีจะอยู่ก็ดีจะตายก็ดีเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไป ตามความต้องการของเราได้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่จะไปสั่งไปควบคุมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราก็ยอยากให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรอยู่คู่กับเราไปตลอดแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อยากไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจไปเปล่าๆถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้นิ่งเฉยได้เอา้าจะแก่ก็แก่ไป จะเจ็บก็เจ็บไปอยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไป <c oughs> รักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาปล่อยให้มันตายไปถ้าถึงเวลามันจะตายไม่มีใครห้ามมันได้เวลามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปต่อต้านความเจ็บเราต้องมาฝึกนั่งสมาธิให้เจอความเจ็บ <c oughs> เราสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บที่เกิดจาก การนั่งสมาธิถ้าเราสามารถปล่อยวางความเจ็บจากการนั่งสมาธิได้ต่อไปเวลาเราเจอความเจ็บจากโกาครคไขยไข้เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนเราได้ซ้อมมาแล้วเราได้ซ้อมวิธีปล่อยวางความเจ็บได้แล้ว mm. เวลาเกิดความเจ็บขณะที่นั่งสมาธิก็ปล่อยมันเจ็บไปใจเราก็มีสติอยู่กับพุทธเจ อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับคำบริกรรมบันใดอันหนึ่งเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บพ mm hmm. อไม่คิดถึงความเจ็บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่เกิด mm hmm. ใจก็จะนิ่งเฉยอยู่กับความเจ็บได้หรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาความเจ็บว่ามันเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> เป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ความเจ็บมันจะเกิดมันก็เกิดเราจะไปสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายถ้าไปสั่งแล้วมันไม่หายใจเราก็จะทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันหายเราไปอยากให้มันไม่เกิดเวลามันเกิดใจเราก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากให้ใจเราทุกข์ก็อยู่เฉยๆปล่อยให้เวทนาเขาเกิดเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปใจเราเป็นผู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน ผู้ที่เจ็บจริงๆก็คือร่างกายแต่ตัวร่างกายเขาก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของเขาเพราะเขาไม่มีการรับรู้ว่าเขาเจ็บนั่นเองผู้ที่รับรู้ก็คือใจแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายกลับไปทุกข์เดือดร้อนกับความเจ็บแต่พอสอนใจให้รู้ว่าความเจ็บเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิด เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะปฏิบัติกับความเจ็บก็คือวางเฉยเท่านั้นเองแล้วใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการเจริญภาวนามย์ปัญญาให้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ ถ้าไปอยากล้วใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากทำใจให้เฉยๆ อ, อ, อย่าปล่อยให้เกิดความอยากความทุกข์ก็จะไม่เกิดร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนก็รับได้ทนได้ไม่เดือดร้อนถ้าที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ทนไม่ได้กับความเจ็บของร่างกายแต่ทนไม่ได้กับความเจ็บของใจความทุกข์ของทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากโดยเกิดจากความกลัวความเจ็บ ปวความเจ็บแล้วก็อยากให้ความเจ็บมันหายไปอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปพอหนีไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาจนไม่สามารถที่จะทนอยู่กับความเจ็บนั้นได้นี่คือปัญญาภาวนาเมาย์ปปัญญาเป็นปัญญาที่ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือสุตตมยะปัญญากับกบินตามยะปัญญานี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าใจของผู้ที่มีกินตาหรือมีสุตตมยปัญญาไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามีสมาธิมาก่อนแล้วแล้วเพิ่งมาศึกษาฟังเทศฟังธรรม เหมือนสมัยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี่ทรงแสดงธรรมให้กับพวกปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ท่านมีสมาธิแล้วท่านมีอุเบกขาแล้วท่านเข้าฌานได้แล้วพอทรงแสดงปัญญาว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็รับได้ทันทีท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ทันทีปล่อยวางร่างกายได้เพราะท่านมีสมาธิมีอุเบกขาวางเฉยได้ หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างพระยานโกนธัญญาก็เป่งวาจาขึ้นมาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งน้อนยอมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือร่างกายนี้เมื่อมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ใจท่านไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเพราะท่านยอมรับความจริงถ้าไม่ฝืนความจริงถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ตาย น, นี่แหะคือ <c oughs> ปัญญาต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีสมาธิมีอุเบกขาที่จะสอนใจที่จะให้ใจวางเฉยเวลาเจอกับสภาพที่มันเป็นเป็นสภาพแปรปวนสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตาย ถ้าใจมีสมาธิใจก็จะนิ่งเฉยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย น, นี่คือปัญญาเราต้องพัฒนาให้ไปถึงขั้นที่สามให้ได้แต่ขั้นต้นเราก็ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเลยไม่รู้เรื่องตายรักไม่รู้เรื่องอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาเลยเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเราก็เอามา เอาทำที่เราได้ยินได้ฟังมามาพิจารณาอยู่เนืองๆเพราะร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้บังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้มันต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติถ้าไม่ถ้าถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่าใจไปยึดไปติดกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริง หยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่ตายด้วยด้วยกำลังของสมาธิด้วยกําลังของอุเบกขาถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขานี้จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้นั้นก็ต้องพัฒนาจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นเรียนรู้ขั้นที่สองเป็นการทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็ขั้นที่สามก็ไปฝึกจิตไปฝึกสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบเพื่อจะได้มีอเบเอขาเวลาปัญญาสอนว่าอยากไปอยากก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็จะหายไป <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการที่เราจะดับความทุกข์ทางใจได้นี้เราต้องใช้ปัญญาขั้นที่สามเท่านั้นคือภาวนาเมายะปัญญา หน้าการที่จะมีภาวนามย้ปัญญาได้ก็ต้องมีปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองตามลําดับก่อนต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนศึกษ า, กษ า, กษ า, กษาแล้วก็เอามาเจริญพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อให้จดให้จำให้เห็นให้เห็นคล้อยตามความเป็นจริงแล้วก็มาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ใจสามารถปฏิบัติเวลาเกิดความทุกข์ใจ ก็จะได้สามารถหยุดความอยากที่เป็นเหตุที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ใจได้<ม>พอสามารถหยุดความอยากที่ทําให้ใจทุกข์ได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์<ม>ใจก็จะสามารถเข้าสู่พานิพานได้<ม><ม>นี่คือเรื่องของปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาลําดับต่อไปก็จะเป็นการเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดอุเบกขาเกิดความสงบถ้าท่านสามารถมีสติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องภายในหนาทีสิบนาทีจิตก็จะรวมได้จิตก็จะนิ่งได้จิตก็จะเกิดความสุขเกิดจะเกิดอุเบกขาได้นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลานั่งสมาธิก็คือต้องมีสติ คอยกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วแต่เราจะถนัดเราชอบอารมณ์ไหนเราใช้เคยใช้อารมณ์ไหนมาก่อนแล้วก็ใช้อารมณ์นั้นดูลมก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธก็ได้ถ้าดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ในขณะที่เรานั่งสมาธินี้อย่านั่งเฉยๆ อ, อ, อย่าไปตามรู้ตามเห็นอะไรที่ปรากฏให้รับให้รู้ให้เห็น อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ดูลมมันก็ผูกใจไว้อยู่กับลมอะไรมาให้เราเห็นให้เรารู้แล้วก็อยากไปตามมันกลับมาที่ลมหรือกลับมาที่พุโทโธถ้าเราใช้พุโทโธหรือกลับมาที่บทสวดมนต์ถ้าเรามีอะไรคอยก็คอยยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วใจจะไม่ดิน้นใจจะเบาใจจะเย็นใจจะสบายถ้ามีสติยึด ตอยู่กับอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องห้านาทีหรือสิบนาทีใจก็จะนิ่งสงบได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับอะไรต่างๆที่มากระทบกับใจเช่นเสียงต่างๆหรือแม้กระทั่งกระแสลมพัดเข้ามาขณะนี้ก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับการภาวนาอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจถ้าดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไป สวดมนต์ก็สวดมนตน์ไปจนกว่าจะครบเวลาสามสิบนาทีเวลาสําหรับนั่งสมาธิตอนนี้ก็หมดลงแล้วก่อนที่เราจะเลิกขอให้เราพิจารณาว่าวันนี้เรานั่งแล้วมันสงบดีไม่ดีอย่างไรให้ดูวิธีการของการนั่งของเราถ้าเรานั่งแล้วสงบก็จำวิธีการนั้นไว้คราวหน้าเราก็มาทําต่อทําเหมือนเดิม อย่าไปนั่งโลยอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้ความอยากจะไม่ได้ทำให้เราสงบแต่ความสงบก็จากวิธีการที่เรานั่งในวันนี้ถ้าเรามีสติต่อเนื่องอยู่กับความอารมณ์แล้วเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบจะนิ่งจะสบายนะให้จำวิธีการที่เราทำไว้ถ้ามันได้ผลดีก็เอาวิธีนี้ไปทำต่อในคราวหน้าแต่อย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนวันนี้ ความอยากไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาแต่อย่างใดลำดับต่อไปก็จะขออนุโมทนาให้พร mm hmm. ยะาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปะปติยิชิตังปะทิตังตุมหังชิปเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามนิชติราโสยธัพภิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโวิณัสตุมเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ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 317ท่านทาง YouTube Dr. V 34ท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่านทางครับ House 5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ104ท่านรวมทั้งหมด743ท่านครับ ในมัธยมพระอาจารย์าชข า, ามีคําถามจากทางช่องดร์วีถามเข้ามาว่าขอกราบเรียนถามว่าคําตอบหรือวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจโผล่แวบขึ้นมาระหว่างภาวนานี่คือปัญญาหรือความคิดหาคําตอบที่ไม่ได้ตั้งใจคิดในระหว่างภาวนาคะไม่ต้องไปสนใจแล้ว สนใจว่าเรามาใช้ทําทประโยชน์ได้หรือเปล่าก็พอถ้ามาแก้ปัญหาได้ก็เอามาแก้มันถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปอืไม่ต้องไปสนใจว่ามันชื่ออะไรมาจากที่ไหนพ่อแม่ของเป็นใครไมันไม่สําคัญสำคัญว่ามึงมาทำอะไรให้กูได้หรือเปล่าอ้าได้พอมึงหางเงนให้กูได้หรือเปล่าเจ้าห่ะจากคุณประทีป ขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับข้างบ้านให้อาหารสุนัขจนจาดสมตัวแต่สุนัข ก, กลุ่มนี้ชอบไล่กัดคนและรถที่ผ่านไปมาถ้าเราไปขอให้เขางดให้อาหารเพื่อสุนัขจะได้ไปอยู่ที่อื่นจะเป็นการขัดขวางการทํางานของเขาหรือไม่หรือเราให้คนมาจับสุนัขไปปล่อยที่อื่นได้ไหมครับขอท่านพระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาด้วยครับ วิธีแก้ดีที่สุดก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางไม่มีปัญหาตามมาถ้าไปแก้เดี๋ยวไปขัดกับคนที่เขาเลี้ยงเขาเขากโกรธเราเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันถ้าไปเลยกคนเข้ามาจับมันก็ไร้ความเมตตาไปจับเขาเข้าขังคุกขังตารางงั้นถ้าดีที่สุดวิธีดีที่สุดก็คือปล่อยวาง <S <S แต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่บุญกรรมของเราก็แล้วกัน เจะยังต้องนับผลต่อไปคำถามจากผู้รับฟังธรรมากุฏิจ้าวันนี้ธรรมบรรยายตรงเรื่องพอดีโยมตรวจเจอก้อนเนื้องอกที่ไตแพทย์ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้องอกธรรมดา ต้องรอติดตามในอีกสามเดือน6เดือนช่วงแรกกลัวช่วงนี้พอสงบลงบ้างบางครั้งใจกลัวบางครั้งใจปกติรู้สึกว่าความจริงใกล้มาเรื่อยๆไม่มีที่พึ่องอื่นนอกจากฝึกใจแต่ก็กลัวฝึกไม่ทันเอาใจไม่ไม่รอดถ้าถึงคราวต้องเผชิญความจริงและความตายขอคำแนะนำค่ะ ก็ทำใจให้สงบไปปล่อยวางยอมรับกับความเป็นจริงอย่าไม่ฝืนอย่าไปอยากยาแล้วใจจะไม่ทุกข์สักค่ะคำถามบางทีจิตมันคิดอกุศลไปเองเวลามองเห็นได้ยินกระทบอารมณ์พอคิดก็ไม่ชอบตกใจแต่เราไม่ต้องไม่ตั้งใจมันคิดเอง ทำไมเลยเหมือนประวาณว่าบางทีจิตเขาอะค่ะมันคิดอกุศลไปเองเหมือนเผลอคิดเอาเจ้าค่ะเวลามองเห็นหรือได้ยินอะไรที่ที่กระทบอารมณ์พอคิดก็ไม่ชอบหรือไม่กต็ตกใจแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจมันคิดเองประมาณว่าต้องทําอย่างไรประมาณเนี้ยค่ะเฉยๆไปปล่อยวางไปมันเกิดแล้วก็ดับไปหรือถ้าอยากจะให้มันดับก็ใช้คําบริกีรำพุโทโธพุธโทโธสู้กับมันไป จะไปบวชชีจะไปบวชแม่ชีหนึ่งถึงสองเดือนหากมีกรรมใด <c oughs> เผลอร่วงเกินพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์กราบขอขามาขอหวดิกรรมและขอคำแนะนำช่วงไปบวชค่ะยังไม่รู้จักกันเลยมาขอขามานะ <c oughs> เราต้องทําอะไรล่วงเกินไปก่อนแล้วค่อยไปขอเข้ามาถ้าไม่ได้ทาอะไรล่วงเกินไม่ต้องไปขอเข้ามาหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าเจ้าค่ะคุณนภานนสนิทถามเข้ามาว่าคนปากร้ายใจดีเป็นคนดีไหมค ะ, <c oughs> ะมันก็พูดอยู่แล้วคนเราจะดีที่เชื่อ อ, อยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่ปาก ครูบาอาจารย์บางทีท่านด่าดูด่าพระเนี่ยแต่ท่านใจดีท่านเมตตาการสงสารพราะพระเจ้าก็เทศบางทีก็ว่าพระนะบางทีก็จับพระเสกก็มีให้พระปาราชิกแต่การกระทำนี้มันไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความไม่ดีของใจแต่เป็นความปรารถนาดีความความสงสารความเมตตาเมื่อผิดก็ต้องลงโทษต้องว่ากล่าวตักเตือนเป็นธรรมดา เวลาใครเขาดูด่าว่าเรานี่เราอย่าไปทนใจกับคําพูดดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือไม่จริงถ้าเราทําผิดแล้วมันเป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับยกมือไหว้เขาไปเขามีความปรารถนาดีกับเราเขารักเราก็ถึงเตือนเราคําถามจากคุณสริญญาเจ้าค่ะขอถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิทําไมถึงชอบหลับคะ พยายามฝืนแล้วค่ะก็ยังคอตกเจ้าค่ะก็แล้วแต่เวลานั่งด้วยนะถ้านั่งตอนหลังอยากกินข้าวอิว่อิมอมมันก็จะหลับทันทีนะถ้าจะไม่ให้หลับก็กินนั่งตอนที่ยังไม่ได้กินกำลังหิวนี่ถ้ากำลังหิวนี่นั่งมันจะไม่ค่อยหลับหรือถ้าถ้าให้ดีก็กินให้น้อยๆให้มันหิวทั้งวันแล้วเราจะได้นั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามไหมยาติโยมที่มาเป็นกลุ่มสตินี่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนยุงเทพแล้วไปทำกิจรกรรมงานที่ไหนบ้างไม่มีที่ตั้งของเราที่อยู่เรารวบกัน อยอางกันทุกวัน ท, ท, ทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ดีแล้วมีมีการปฏิบัติ ด, ด้วยมีการนั่งสมาธิ ด, ด้วยดีดีไปไม่ว่าจะทำอะไรเขาให้มีสติตลอดเวลานะแล้จิตก็จะได้อยู่ในกรอบ จะไม่ฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายทักค่ะจากคุณไทเกอร์คำถามครับเวลานั่งสมาธิชอบเปิดเสียงบรรเลงเป็นเสียงธรรมชาติเช่นเสียงป่าไม้ตอนกลางคืนเสียงฝนตกแล้วสงบเป็นต้นถือว่าเป็นการติดในเสียง ไม่ควรใช้เสียงอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นใจตามธรรมชาติคำถามนะกุฏิเจ้าค่ะหลวงพ่อจิบน้ำเรื่อยๆก่อนเริ่มบรรยายมีอุบายอะไรไหมคะนายว่าใหม่ใช่ไหมไ ม, ไม่ชัดไม่ชัดโยมถามเข้ามาว่าที่หลวงพ่อจิบน้ําเรื่อยๆก่อนเริ่มเทศเจ้าค่ะอะไ ร, ร ม, มีอุบายอะไรหรือเปล่าคะจิบน้ําจิบน้ำเปล่า ที่พระอาจารย์ดื่มน้ำก็ไม่ได้ดื่มมาเป็นชั่วโมงพอออกมามันก็มันก็หิวน้ามันก็ดื่มก่อนเริ่มบรรยายอ่ ะ, อะก็ไม่อยากจะดื่มเพราะว่าถ้าดื่มแล้วเดี๋ยวบรรยายมันจะปวดฉี่ก็เลยรออดไว้พอเวลาจะก่อนจะแสดงค่อยมาค่อยมาดื่มก็เลยไม่ปดวดเจ้าค่ะจากนาะคุติเจ้าค่ะ กับขอธรรมะจากพระอาจรารย์เรื่องการใช้ชีวิตคนเดียวเจ้าค่ ะ, ะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขก็ต้องมีสติมีสมาธิมีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าจิตสงบจิตจะไม่ว้าเหวจิตจะไม่เศร้าสร้อยเหงาเหจิตจะมีความสุขแล้วจิตจะไม่อยากจะอยู่กับใครกลับจะเห็นว่าการอยู่กับคนอื่นนี่วุ่นวายวุ่นวายหนออยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ข้ามสงบ นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องทําใจให้สงบให้ได้ถึงจะอยู่คนเดียวได้ถ้าใจไม่สงบแล้วกิเลสมันจะหลอกให้เราไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรามันก็ถ้าไม่ได้ก็จะทําให้รู้สึกเหงาว้าเหว้ขึ้นมาให้พยายามฝึกสติอยู่ยเรื่อยๆ เ, เ, เดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบตลาบกับการฟังเทศฟังธรรมไป แล้วเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้ต่อไปเ้าค่ะคุณปฏิบถามต่อเข้ามาว่าเกี่ยวกับสุนัขเมื่อกี้ค่ะพอดีว่ามันอาจจะกัดคนในบ้านของเราด้วยนะครับควรจะใช้การระมัดระวังตัวเองและคนในบ้านให้ดีที่สุดก็พอใช่ไหมครับดีเราจะได้มีสติไงครูบาอาจารย์ท่านต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไปหาสาัตว์ร้ายเพื่อจะได้เป็นเครื่องปลุกสติ ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยแล้วมันจะไม่มีสติมันจ ะ, อะนอนใจประมาทนอนใจแต่ถ้าไปอยู่ที่ตรงไหนถ้าอาจจะมีพิษมีภัยนี้มันจะต้องมีสตินี่ออกออกจากประตูบ้านไปมองซ้ายมองขวาแล้วว่ามีหมาหรือเปล่านี่เป็นการฝึกสติเจ้าค่ะจากช่องดออรวีจากคุณมนทิรา กราบนวัศการค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันไปปฏิบัติธรรมมาแต่ในช่วงไปปฏิบัตินั่งสมาธิได้มีเสียงคนคุยกันและเสียงอื่นๆทำให้ใจไม่สงบดิฉันควรวางใจอย่างไรดีคะขอความเมตตาเจ้าค่ะอย่าไปนสนใจกับเสียงปล่อยเข้าไปคิดว่าเป็นเสียงเสียงสัตว์ร้องไปก็แล้วกันเสียงลมพัดเสียงอะไรไปอย่าไปให้ความสาคัญกับเขา กลับมาอยู่ที่สติพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมไปหรือภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งไปให้มีอะไรที่เครื่องยึดเดี่ยวจิตใจแล้วเดี๋ยวเสียงนั้นก็นนจะไม่เป็นปัญหากับเราจาก youtube พระอาจารย์เจ้าค่ะมาปฏิบตับติบางวันเขาให้ดูลมค่ะแต่โยมชอบพุโทโธพุธโทโธต้องใช้อันไหนคะใช้อันที่เราชอบอ่ะอันไหนที่เราทําแล้วได้ผลเราก็ใช้อันนั้นไป วิธีทําสมาธิมีหลากหลายวิธีด้วยกันอยู่ที่แต่ละคนจะถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้ยังไม่มีคําถามเ ข, ข้ามาส้นะค่ะกรรมฐานเนี่ยมีอนุสติสิบเนะี่ยพุทธานุสติเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเราลิกถึงพระธรรมคําสอนเล่นบวทสวดมนตสังขานุสติคิดถึงพระสองฆ์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อานาปณะสติดูลลมหายใจเข้าออกมานุสตินึกถึงความตายอากายะกตาสติพิจารณาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้เหล่านี้เป็นกรรมฐานเป็นที่ที่ยึดเดี่ยวของจิตใจได้ทำให้จิตใจสงบได้สามารถเปลี่ยนได้สลับได้ตามความต้องการ เจ้าค่ะจากคุณวิไลพระอาจารย์เคยเป็นซึมเศร้าหายจากพุทโธและนั่งสมาธิหายมาสี่ปีมาเพิ่งเพิ่งเป็นอีกค่ะควรทําอย่างไรคะพระอาจารย์ควรทำพุทโธต่อไปเหมือนกินยาพุทโธไปเหมือนยายาแก้ซึมเศร้าถ้าเราหยุดยาเมื่อไหร่การซึมเศร้าก็จะกลับมาถ้าอยากจะให้ ก, การซึมเศร้าหายไปอย่างถาวรก็ต้องไปตัดอาการเหตุที่ทําให้ใจเราซึมเศร้า ที่ทำให้ใจเราซึมเศร้าก็คือความอยากนี่กิเลสตัณหาอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่พอหามาไม่ได้ก็เศร้าพอไม่ได้บ่อยๆเข้าก็ซึมเศร้าไปกลายเป็นโรคซิมเศร้าแต่ถ้าตัดความอยากได้ไม่ต้องการอะไรเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมาคอยทุกข์ด้วย อ, อ, อาการซึมเศร้าก็จะหมดไปตามไป